อนุสติวกักหมวดว่าด้วยอนุสติหนึ่งปัมะมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะมหานามว่ามหานามสูตรที่หนึ่งสอสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขตกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะสมัยนั้น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 หม่อมชันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละมหานามะการที่พระองค์เสด็จมหาตถาคตแล้วตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมชันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรม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 เป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้หลงลืมสติไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ไม่มีจิตตั้งมั่นไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญาสามไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งมหานามะ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 ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้นจิตของอริยส า, าวกนั้นย่อมปรารบตถาคตดําเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยส า, าวกผู้มีจิตดําเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบรื้มอิงอัตถะย่อมได้ความปราบรื้มอิงธรรมย่อมได้ความปราโมทที่ประกอบด้วยธรรม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 มหานามะสมัยใดอริยาสาวกประลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมประรพธรรมดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะ ก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้รับความปราบปลื้มอิงอัตทะย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ความปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะ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 สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบ พ, พระสงฆ์ดาเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้ว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 เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่พยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ไม่มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญสังคานุสติอยู่ 4. พระองค์พึงระลึกถึงศีลของพระองค์ที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไปเพื่อสมาธิมหานามะสมัยใดอริยาสาวกละลึกถึงศีลสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมปราลบศีลดําเนินไปตรงทีเดียวมหานามะ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 อริยาสาวกนี้ตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในโม่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในโมูสัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญเลลานุสติอยู่หพระองค์พึงระลึกถึงจาคะ ข, ของพระองค์ว่าเป็นลาบของเราแล้วหนอ เราได้ดีแล้วหนาที่เรามีใจปราศจากความตรนีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะ กลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมปรารบจากะดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้รับความปลาบปลื้มอิงอัฏฐะย่อมได้ความปลาบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมท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 เป็นพูดถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญจาคานุสติอยู่ 6. พระองค์พึงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่ามีเทวดาชั้นจตุมหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมานรดีเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัสดี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 เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตตะเช่นใดจุดติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีสุตตะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุดติจากเทวโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีจาคะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุดติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้น แม้เราเองก็มีปัญญาเช่นนั้นมหานามะสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะแจาคะและปัญญาของตนของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม สมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมปรารบเทวดาทั้งหลายดําเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยาสาวกผู้มีจิตดําเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปลาปรื้มอิงอัตทะย่อมได้ความปลาปลื้มอิงธรรมย่อมได้ความป ร, ปรมธธมาโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติ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 เจริญเทวตานุสติอยู่ปฐมมหานามสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยามหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามสูตรที่สองส2 ส, สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะสมัยนั้นเจ้าสกยาพระนามว่ามหานามะทรงหายจากพระประชวนได้ไม่นานสมัยนั้นแลภิกสุจําำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จกเสด็จจาริกไป เจ้าสกยาพระนามว่ามหานามะได้ทรงทราบข่าวอย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นเจ้าสกยาพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถว า, ายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมชั้นได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่า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 ดีละดีละมหานามะการที่พระองค์เสด็จมหาตถาคตแล้วตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรนี้เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตรมหานามะกุลบุรผู้มีศรัทธาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ไม่มีศรัทธา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 ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญาสามไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งมหานามะพระองค์พึงตั้งอยู่ในธรรมสประการนี้และเจริญธรรมหกประการยิ่งขึ้นไปเถิดธรรมหประการนี้คือ 1. พระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคมหานามะสมัยใดอริยาสาวกละลึกถึงตถาคตแล้วสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้น ย่อมปรารบตถาคตดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบรื้อิงอัตถะย่อมได้ความปราบรื้อิงธรรมย่อมได้ความปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจปีติกายย่อมสงบ เธอผู้มีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะพุทธานุสตินี้แลพระองค์แม้กำลังเสด็จดำเนินก็จเจริญได้กำลังประทับยืนก็จเจริญได้กำลังประทับนั่งก็จเจริญได้กำลังบันทมก็จเจริญได้กำลังประกอบการงานก็จเจริญได้กำลังประทับบนที่บรรทม ซึ่งเบียดเสียดด้วยพระโอรสและพระธิดาก็เจริญได้ 2. พระองค์พึงละลึกถึงพระธรรม 3. พระองค์พึงละลึกถึงพระสงฆ์ 4. พระองค์พึงละลึกถึงศีลของพระองค์ 5. พระองค์พึงละลึกถึงจาระค์ของพระองค์ 6. พระองค์พึงละลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่ามีเทวดาจากจตุมหาราช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 มหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราปรื้มอิงอัตถะย่อมได้ความปลาปรื้มอิงธรรมย่อมได้ความปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้รับสุขเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะ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 สนันทิยะสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะสส ม, สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครตารามเขตกรุงกบิลพัฒน์แคว้นสักกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีประสงค์จะเสด็จไปจำพรรษานกรุงสาวัดถีเจ้าสักยะพระนามว้านนันทิยะได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่า ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จไปจำพรรษาณนะกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเจ้าสกยาพระนามว่านันทยะได้ทรงมีพระดําริดังนี้ว่าทางที่ดีแม้เราก็ควรจะพักอยู่ตลอดพรรษาในกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นเราจะประกอบการงานและจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามเวลาอันสมควร ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษานักกรุงสาวัตถีแม้เจ้าสกยาพระนามว่านันทิยะก็ได้พักอยู่ตลอดพรรษานักกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ได้ทรงประกอบการงานและได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามการอันสมควรสมัยนั้นภิกษุจํานวนมากทําจีวรกรรม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 ล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จจาริกไปครั้งนั้นเจ้าสกยะพระนามว่านันทยะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วประทับนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นได้ทราบข่าวว่าภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรม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 พระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์รัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค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 พระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในตนปรารบธรรมอย่างนี้เถิดสามพระองค์พึงระลึกถึงหลาวกัญยาณมิตรว่าเป็นลาบของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีกัญยาณมิตรผู้เอนโดมุ่งหวังประโยชน์กล่าวแนะนำพร่ำสอนนันทิยะ พระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในตนปราเรบลาวกลยานมิตรอย่างนี้เถิด 4. พระองค์พึงระลึกถึงจาคะของพระองค์ว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอะที่เรามีจิตปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทินมีจาคะคอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนในหมู่สตัตว์ผู้ถูกความตรณีอันเป็นมนทินกลุ่มรุมนันทิยะพระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในปรารบจาคะอย่างนิทเถิดห้าพระองค์พึงละลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาเหล่าใดล่วงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นพักษาแล้ว เข้าถึงกายมนโนไมยอย่างใดอย่างหนึ่งเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่พิจารณาเห็นกิจที่ควรทำของตนหรือสั่งสมกิจที่ตนทำแล้วนันทิยะเทวดาเหล่าใดเหล่าหนึง่งล่วงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นพักษาแล้วจึงเข้าถึงกายมนโนไมยอย่างใดอย่างหนึ่ง เทวดาเหล่านั้นย่อมไม่พิจารณาเห็นกิจที่ควรทำของตนหรือการสังสมกิจที่ตนทำแล้วเปรียบเหมือนภิกษุผู้เป็นอสระมยวิมุตติไม่พิจารณาเห็นกิจที่ควรทำของตนหรือการสังสมกิจที่ตนทำแล้วนันทิยะพระองค์พึงตั้งสติภายในปรารบเทวดาอย่างนี้เถิดนันทิยะ อริยาสาวกผู้ประกอบได้ทำสิบเอ็ประการนี้แลย่อมละไม่ยึดมัน่นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบได้ทำสิบเอ็ประการนี้ย่อมละไม่ยึดมั่นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อที่คว่ําย่อมไม่กลับมาบรรจุของที่หกแล้วและเปรียบเหมือนไฟที่ลามพ้นไปจากญ้าแล้ว ย่อมไหมของที่ควรไหมเท่านั้นย่อมไม่กลับมาไม่ของที่ไหมแล้วนันทิยะสูตรที่สามจบ